คำว่าสั่งสอนความว่าภิกษุสั่งสอนครูธรรมแอย่างต้องอบัติปาจิตตีสั่งสอนทำอย่างอื่นต้องอบัติทุกกฎสั่งสอนภิกษุณีที่อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวต้องอบัติทุกกฎหนึภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นพึงกวาดบริเวณตั้งน้ําฉันน้ําใช้ปูอัสนะไวา้ชวนเพื่อนภิกษุไปนั่งด้วยภิกษุณีทั้งหลายพึงไปที่นั้นแล้วไหว้ภิกษุนั้นแล้วนั่งในที่สมควร ภิกษุพระราบแต่งตั้งแล้วนั้นพึงถามภิกษุณีทั้งหลายว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอพร้อมเพียงกันแล้วหรือถ้าพวกภิกษุณีตอบ ว, ว่าพวกดิฉันพร้อมเพียงกันแล้วเจ้าค่าพึงถามว่าน้องหญิงทั้งหลายครูธรรมแปดข้อยังจํากันได้อยู่หรือถ้าพวกภิกษุณีตอบ ว, ว่ายังจํากันได้อยู่เจ้าค่าพึงกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายทํานี้เป็นโอวาทแล้วพึงมอบหมาย ถ้าพวกภิกษุณีตอบว่าจำกันไม่ได้เจ้าข้าพึงสวดครูธรรมนั้นดังนี้ว่า